ศาสนาพุทธศาสนาธรรมศาสนาสง <c oughs> ก็มีความหมายอันเดียวกันพระพุทธศ า, ส, าสนาชั้นสูงสอนให้เบื่อหน่ายในตาสอนให้เบื่อหน่ายในหูอสอนให้เบื่อหน่ายในลิ้นในจมูกในกายในใจ ในธรรมารมทั้งปวงตลอดถึงสอนให้เบื่อหน่ายคายเมาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผดพะในธรรมารมทั้งปวงทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคต ด, ด้วยทั้งปัจจุบันด้วยพระพุทธศาสนามุ่งหวัง อยากจะให้พยาจิตราชพ้นจากวันตาสงสารไปไม่ให้มาเป็นเปรตสร้างเอาชาติเอาพพไม่มาให้ไม่ให้มาเป็นเปรตเฝ้าตาเฝ้าหูเฝ้าจมูกเฝ้าลิ้นเฝ้ากายเฝ้าธรรมาลมสอนให้ทำจิตทำใจให้เป็นใจเป็นจิตเป็นธรรมอันไม่ตาย ทำแก่ทำเก็บทำตายทำตาทำหูทำจมูกทำลิ้นทำกายเหล่านี้เป็นธรรมที่เกิดขึ้นแน่แปรปวนเตกสลายไปไม่อยู่ในอำนาจของใครเลยเป็นสังขารธรรมเป็นสังขารทุกข์เป็นวัฏจัก์เป็นวัฏจับเป็นผลของอวิชชาตันหาอุปาทาน เป็นของผลของความมู่เป็นผลของความหลงจิตใจเรียนวิชาเค็ดหลับในวัฏสงสารเป็นจิตใจที่สูง เป็นธรรมะที่สูงเป็นศีลที่สูงเป็นสมาธิตั้งมั่นในที่สูงเป็นปัญญารอบรู้ในที่สูงเป็นพุทธประสงค์เป็นธรรมะประสงค์เป็นสังฆประสงค์เป็นพุทธศาสนาโลภุตระไม่ใช่โลกีคำสอนของพุทธศาสนาแต่ละบทละบาท ตรงถึงโลกุตละทุกๆบททุกๆ บ, บาททั้งยืเนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดแต่อาศัยจิตใจของท่านผู้ใ ด, ดอยู่ในระดับใดก็เป็นไปตามอัตโนมัติของตนเข้าข้างตัว ผู้ที่เข้าข้างตัวในทางโลกุตระก็คือพระโสดาบันต่ำกว่านั้นลงมาเข้าข้างตัวในทางโลกีพระเจาา้าคามาีพระอาาานาคารีพระอาหารหันเข้าข้างธรรมอันไม่ตาย เราจะมาแต่งตั้งให้รูปกายนามกายเป็นยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้มันมีหน้าที่เกิดขึ้นแปรปวนและแตกสลายเท่านั้นวัฏ ร, รงสารไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครเลยถ้าหากว่าไม่มีสิ่งที่อาศัยบ้างเพสัจขันยิ่งจะตายเร็วกว่านี้ ทรัพทั้งหลายกวลิงการอาหารอาหารคือคำข้าวพระชาหาันอาหารคือพระสะกมนุษย์เจตนาอาหารคือความนึกคิดวิญญาณอาหารคือผู้รู้ในทางตาของสมูกลิ้นกายอาหารทั้งหลายเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายติดอยู่แต่พระอาหารท่านไม่ติดอยู่พระท่านรู้เท่ารู้ทางรู้มันรู้ใจรู้ทำอันไม่ตาย เราจะเรียนแต่วิชาทะเยอทะยานในโลกฝ่ายเดียวเราไม่เห็นโทษในความหลงของตนในความหลงของใจ ก, ก็ไม่มีประตูที่จะแก้ไขตัวได้อย่ น, นี่ปัญหาเหล่านี้เป็นของที่ชวนคิดอยู่เสมอเสมอ มีแต่เวนเวนแพ้ไพในวัตฏะสงสารเวนคืออะไรเวนคือความหลงของตนภัยคือความหลงของตนโทษคือความหลงของตนตนคือใจใจคือตนตามสมมุติเออไปถ้ากับปรุกประชุกเนาะย่อบอัหอยาาอหายย่อบรยายหายเนาะไปเทวยที่คอย ต้พ่อควบลงข้อออกจึงแกชนะความหลงของตนถ้าอย่างนั้นก็ต้องถูกแพ้ความหลงของตน อดีตก็ปล่อยไว้ตามอาดีตอนาคตก็ปล่อยไว้ตามอนาคตปัจจุบันเป็นผู้พิจารณาตามเป็นจริงแล้วส่งคืนจาโคปตินิสโคส่งคืนดินก็ส่งคืนให้ดินน้ำก็ส่งคืนให้น้ำไฟก็ส่งคืนให้ไฟลมก็ส่งคืนให้ลมอดีตก็ส่งคืนให้อดีตอนาคตก็ส่งคืนให้อนาคตไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของ วิญญาณปฏิสนธิก็ว่างจิตใจก็ว่างวิญญาณก็ว่างไปเพราะมันมีภาระอ็ไปสอบแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของสมมุติก็ไม่คัดค้านพูดว่าเราว่าเขาก็ไม่คัดค้านพูดว่าโครกระบือก็ไม่คัดค้านพ้าพูดแล้วกว่าแล้วไปไม่คัดค้านเพราะจริงตามสมมุติ เวลาสมมติว่าได้ก็ไม่ตื่นเวลาสมมติว่าเสียก็ไม่ตื่นก็รู้จักทั้งสองเงื่อนเวลากลางวันมาก็ไม่ตื่นเวลากลางคืนมาก็ไม่ตื่นเ็เคยผ่านมาแล้วเรียกว่ารู้ตามเป็นจริง้ว้ ปฏิบัติตามเป็จริงด้วยลุดพ้นจากความหลงของตนตามเป็นจริงด้วยจะบัญญัติว่าสมาธิหรือศีลหรือปัญญาก็แล้วแต่ไม่เป็นปัญหาหรือจะไม่บัญญัติก็ไม่เป็นปัญหายืนก็รู้ตามเป็นจริงของยืนนอนก็รู้ตามเป็นจริงของนอน นั่งก็รู้ตามเป็นจริงของนั่งนึกคิดก็รู้ตามเป็นจริงของนึกคิดแต่ไม่ไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของปัญหาทั้งหลายก็ผ่อนเบาลงทุขก็ส่งคืนให้สุขทุกข์ก็ส่งคืนให้ทุกข์ความวางเฉยก็ส่งคืนให้ความวางเฉย ผู้รูกก็ส่งคืนให้ผู้ลูกเสียทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยไม่พยายามเข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของเพราะเก่งจะเป็นเหตุเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นวัตฏะหมุนเวียนกันอยู่เพราะเคยไปยึดถือมาแล้ว ก็เท่ากับยึดถือแดดยึดถือลมมันไม่อยู่ในอำนาจของเราเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกสลายต่อหน้าต่อตาของสติปัญญาด้วยหน้าแปลว่าหน้าสติตาแปลว่าตาสติปัญญาหน้าก็หน้าสติหน้าปัญญาไม่ใช่หน้าตา จมูกลิ้นหน้าของสติหน้าของปัญญาเราข้ามชาติข้ามพบด้วยพระปัญญาเราไม่ข้ามไปด้วยขาภายนอก เราไข้ามไปด้วยเครื่องบินและรถยนต์รถไฟและด้วยฝีเท้าภายนอกข้ามด้วยพระมหาสติข้ามข้ามด้วยพระมหาปัญญาชั่วรับนิือเดียว โลกทั้งปวงเรายน่นลงมาในปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมแล้วทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตติวิสุทธทินิพพานด้วย ลม เ, เ, เข้าก็ให้รู้ตามเป็นจริงของลมเข้าถ้าต้องการรู้เว่นไๆแต่ไม่ต้องการลมออกก็ให้รู้ตามเป็นจริงของลมออกคุณประพุทธพระธรรมพระสงค์ก็ให้รู้ตามเป็นจริงของคุณประพุทธพระธรรมพระสงค์อย่าไปฝืนอย่าไปคัดค้ามสมมุติก็ให้รู้ตามเป็นจริงของสมมติวิมุติก็ให้รู้ตามเป็นจริงของวมุติไม่ไปคัดข้ามทั้งสองฝ่าย แล้ว ไ, ไปยืนยันด้วยแล้วมาไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของด้วยถ้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของแห่งใดแห่งนั่นก็คือพบคือชาตินั่นเอง ถ้ายึดมากก็เป็นชาติใหญ่ถ้ายึดเล็กยึดน้อยก็เป็นชาติน้อยถ้ายึดละอันละเอียดก็เป็นชาตันละเอียดเหมือนกันก็เป็นทุกอันละเอียดเป็นอนิจจังอันละเอียดยึดผู้รู้ในปัจจุบันก็เป็นผู้ก็เป็นชาติเป็นภพอันละเอียดเหมือนกันรู้ก็เป็นเดชะควารู้ส่งคืนหาผู้รู้ เห็นก็เป็นแต่ศ ouais> ักวาเห็นใจก็เป็นแต่ศักวะใจส่งคืนให้ใจนั่งก็เป็นแต่ศ oh ักวะนั่งส่งคืนให้สังขารคืนนั่งใครเป็นผู้พูดก็คือสังขารเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังก็คือสังขารเป็นผู้ฟังกิตตะสังขารเป็นผู้ฟังกิตตะสังขารเป็นผู้พูดมจีสังขารเป็นผู้พูดก็ว่าพระนิพพานไม่ได้มาพูดด้วยไม่ได้มาฟังด้วยไม่ได้มาปฏิเสธด้วยไม่ได้มารับด้วย ไม่ได้มารับได้รับเสียด้วยใครเป็นผู้นั่งผู้พูดผู้ฟังอยู่เดียวนี่ก็คือสังขารบุญญาพิสังขาร น, นั่นเองคือบุญ ธรรมเทศนามัยบุญทำเร็จ ด, ด้วยการแสดงธรรมธรรมะสวนสดมัยบุญทำเร็จ ด, ด้วยการฟังธรรมก็คือบุญนั่นเองไม่ใช่พระ น, นิพพานพระนิพพานอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปไปแล้วพรสร้างบุญพอแล้วพะละบาปพอแล้วเหตุนั้นพระนิพพานจึงไม่มีบุญมมีบาปไปแบกไปหามอยู่ เอสาวันโตทุกขศัพท์เป็นที่สุดแห่งเป็นที่สุดแห่งกองทุกเมื่อเรายังไม่ถึงก็ต้องอาศัยบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปใครเป็นผู้สร้างขึ้นก็คือจิตใจ เป็นผู้สร้างขึ้นภากายภาวิชาสร้างในเวลาที่พอไปได้มาได้ถ้ า, าว่าไปไม่ได้มามาได้ก็มีแต่จิตใจดวงเดียวที่สร้างเช่นเรป่วยมาหนักเข้าไ้จริงไปมาไม่ได้ก็มีแต่จิตอันเดียวก็ภาวนาพุทโธพุทโธเท่า น, นั้นเป็นที่ไปพุทโธกระปุญนาพิษทังขานก็มีความหมายอันเดียวกัน หรือพิจารณากองทุกข์เป็นอารมณ์ก็เรียกว่าวิปัสสนาหรือพิจารณาอนิจจังเป็นอารมณ์เข้ากลมเข้าลมออกก็เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาเหมือนกันมีทั้งศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อเราเห็นกองทุกข์พ่ออกค์ลมให้ใจเข้าออกเห็นอนิจจังพ่อองค์ลมให้ใจเข้าออก เห็นอนัตตาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นแต่สักว่าลมลมเป็นแต่สักว่ารูรูพร้อมกับลมให้จะเขาออกจิตใจก็จะเบื่อหน่ายคลายเมาในสิ่งที่ตนเคยหลงมาแล้วว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็จะเบืบางโอ ไม่ต้องสงสัยในวัตรารงสารจะสงสัยยังไงอะไรก็เปิดเผยอยู่แกก็เปิดเผยเก็บก็เปิดเผยตายก็เปิดเผยอยู่กินก็เปิดเผยอยู่ถ่ายก็เปิดเผยอยู่ได้ก็เปิดเผยอยู่เสียก็เปิดเผยอยู่สมมติสิ่งใด่าได้สิ่งนั้นก็ต้องเสีย สมมุติว่าได้เกิดมันก็ได้ตายอยู่ในตัวได้เก่อยู่ในตัวได้เก็บอยู่ในตัวถ้าเราจะยอมตัวว่าตามกะละมันเถ อ, อย่างนี้จิตใจก็ไม่เป็นที่สบาย ามันไม่เป็นผู้บาปน้าสาหโหดที่จะยอมตัวอย่างนั้นมันก็สร้างกุศลพลบุญตะพืตนตะเพือจนกว่าจะถึงมีปัญญายาญเสก้าสู้รบขบกัดกับความหลงจนชนะ เพราะเวลามีน้อยแต่และชาติแล้วพบวันหนึ่งคือหนึ่งในมนุษย์ไม่เท่าวินาทีหนึ่งในภมูมโลกไม่เท่าวินาทีหนึ่งในสวงสวรรค์อีกซ้ำ แล้อย่างไรก็ตามเมืม่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะไปเทวโลกและพรหมโลกประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพ ร, ร, ร, ระ พ, พุทธศาสนาเพื่อพ้นทุก์ในวัตาทงสารในปัจจุบัน น, น, น, นิจปัจจุบันนธรรมโดยด่วนปัจจุบัน น, นิจปัจจุบันนธรรมในที่รุดพ้นมครบับกาะไม่เลือกสิ ปัจจุบันไม่จิตปัจจุบันนิธรรมอันนั้นเป็นคิวที่มีค่ามากผู้ไม่หวังในพบน้อยพบใหญ่ก็ต้องลงอย่างนั้นผู้สร้างบารมีแก่กร้างแล้วแต่ผู้ที่ยังอ่อนอยู่ก็เป็นธรรมดามนุษย์สมบัติบ้างสวรรค์สมบัตบ้างพพสมบัติบ้า ง, มมางเพราะมีหลายบ้าง เพราะต้องการหลายบางทีไม <t> ่ได้ย่นมาบางทีเดียวเหตุฉนั้จึงต้องการมากก็เพราะบารมียังอ่อนอยู่ยังมีความหวังอยู่หลายมากหลายกระทงเหตุใดความหวังจึงย่นมาในอันเดียวก็เพราะเหตุว่ากองทุกข์ในวัฏจักรงศารเหมือนหลุมฐานเพลิง ไม่สงสัยจึงพอใจในปัจจุบันกิจิปัจจุบันนธรรมที่รุดที่พ้นเพราะมีกำลังมากมีกำลัง พระสติพระปัญญารวบลงมาในปัจจุบันเลยสรรพโลกทั้งปวงก็ดีสรรพโลกทั้งปวงก็ดีมีความหมายอันเดียวกันย่นลงมาในปัจจุบันแล้วสรรพทุกข์ก็ย่นลงมาในปัจจุบันแล้วสรรพธรรมก็ย่นลงมาในปัจจุบันแล้วอดีตอนาคตมาในปัจจุบันแล้ว เมื่อรู้ชัดในปัจจุบันตอนไหนๆอดีตอนาคตในตอนนั้นๆก็รู้ชัดเหมือนกันพูดมากก็ออกไปจากหนึ่งฟังมากก็ออกไปจากหนึ่งย่นลงมาถึงหนึ่งเียแล้วเรียว ก, ก, ากายสังขารจิตตสังขารแล้วก็มีความหมายอันเดียวกัน จะพูดไปวันวนยังคำ่ำจะฟังไปวันยังคำ่ำก็มีความหมายอันเดียวกันคือว่าจีสังขารกิตะสังขารเกิดขึ้นแล้วแปรแดดสดับแดดแดดดับไปเท่านั้น ผู้ที่รู้อนิจจังก็คือรู้โลกทั้งปวงผู้ทุกขังก็คือผู้รู้โลกทั้งปวงรู้กองทุกข์ทั้งปวงเอื้อมละอาในกองทุกข์ทั้งปวงไม่สงสัยในกองทุกข์ทั้งปวงไม่ในสงสัยในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกด้วยไม่สอนให้เบื่อหน่ายสอนให้คลายเมาไม่ได้สอนให้เพิ่มความเมาไม่ได้สอนให้เพิ่มความทะเยอทยาน สให้ลถลงไม่ได้สอนให้เพิ่มบ้าขึ้นให้ลถบ้าลงไม่ได้สอนให้เพิ่มหลงให้ลถหลงลงไม่ให้ไม่ได้สอนให้ประมาถ้า้ลดความประมาทลงจนให้มันหมด ผู้ที่ไม่ยินดีในการรุดพ่นในพระพุทธในชาติในภพกับผู้ประมาทก็มีความหมายอันเดียวกันประมาทตนเองกับประมาทธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีความหมายอันเดียวกันประมาทใจประมาทธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันเคารพใจเคารพธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันเคารพความปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัดตาสงสาร การปฏิบัติเพื่อไม่พ้นทุกในวัฏสงศารไม่มีไม่มีในทางโลกุตระของพระพุทธศาสนาที่จัดเข้าในพระพุทธศาสนาได้ก็คือโลกุตระเท่านั้นพระโสดาบันเป็นต้นของพระพุทธศาสนาจัดเข้าได้ในสุ ป, ปฏิปันโน เป็นต้นของระพุทธศาสตร์นะผู้ใดไม่ละเมิดชิ้นหา้าไม่ละเมิดอบายา ม, มุขไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษไม่คบมิตรอันชั่วไม่เกี่ยข้านทรงานในทางที่ชอบ เรื่องชีวิตในทางที่ชอบก็คือพระสสดาวันนั่นเองจากหัวดำหัวขาวเป็นเพศใดไม่นิยมเพศชั้นวันลนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นโลกีหรือตามเลยไม่แน่นอนเพราะหลายบางทีบางทีก็ไปนรกบ้างบางทีก็ไปสัตว์จิรชานบ้าง บางทีก็ไปปิดอัลย์กายบ้างเพราะยังไม่ปิดประตูทางไปข้องตนพระศรดาบันปิดประตูทางไปข้องตนเนี่ยประตูใจประตูความประพฤติไม่ไดไปทางนั้นบัญทิโตคะนามะวสังผู้ครองเงือนคือบัญทิตก็คือพระศรดาบันนั่นเองพระศรดาบันคะ่าวะ เป็นผู้เห็นฝั่งพระนิพพานแล้วเป็นผู้เดินผ e like ่านศูนย์กลางความหลงแล้วไม่ได้เดินเวียนกลางความหลงโลกกับความหลงมีความหมายอันเดียวกันสังขารกับความหลงมีความหมายอันเดียวกันกิเลสกับความหลงก็มีความหมายอันเดียวกัน วัฏจักรสงสารกับความหลงก็มีความหมายอันเดียวกันการยินดีในความรู้ความพ้นในวัฏจักรงสารขณนะความยินดีทั้งปวงคณะจิตที่ทะเยอทะยานในทางวัตถุนิยมตั้งลต่ล่าชขณะจิตก็ไม่เท่ายินดีในทาง จะรุดจะพ่นในวัตฏะสงสารขณะจินเดียวมีคุณค่ากว่ากันทำก็เหมือนกันท่านทั้งหลายพระบรมศ า, าสดาจงชักชวนกันในเรื่องหลุดเรื่องพ้นเถิดจงเตือนกันเถิด ศาสนาของเราจะยืนยงคงทนเพราะเตือนกันเพราะชักชวนกันไม่ได้บังคับชักชวนด้วยสาวมัคคีธรรมเป็นโลกุตระสามัคคีไม่ใช่โลกีสามัคคีไม่ใช่ชวนกันเพื่อปีนเกลียวในพระพุทธศาสนา พวกพระชับพระวัตรีเวลาจะเข้าพรรษาไปตั้งมติว่าไม่ต้องเตือนกันหรอกผมดีก็เป็นเรื่องของผมผมชั่วก็ต้องเป็นเรื่องของผมท่านก็เหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกันอย่ามาเตือนผมผมก็ไม่ต้องเตือนท่านตามข้องไขข้องมันตามอำเภอใจข้องไขข้องมัน เป็นคนลเลือกเป็นเลือกของใครก็มันดอกพระบรมศาสด า, าได้ทราบเข้าวมาห้ำหั่นติเตือนท่านไปตั้งอย่างนั้นมันมิดเป็นมิดฉาทิติเป็นความเห็นผิดศาสนาของเราจะท้าคจจะเจริญขึ้นในจิตในใจของแต่และท่านและคน ก็พระเตือนกันพระขอบมิตรที่ดีพระตักเตือนกันพระชวนกันเช้าไม่พักแต่ไม่ได้บังคับแต่ว่าชวนกันด้วยสุภาพเช้ามาคีกันด้วยสุภาพแต่ไม่ได้บังคับ เมื่ออยู่ในมูกันบวชเป็นพิธีุสรมเนียแล้วก็ต้องมีสมานทังวาเสมอกันมีความเห็นเสมอกัน